รู้ไปเรื่อยๆจนใจยอมรับความจริงเราไม่ได้สู้กับอะไรเลยเราสู้กับความเห็นผิดของตัวเองในเบื้องต้นนี่เราสู้กับความเห็นผิดของตัวเองแต่เรามีความเห็นผิดล่ากายกับใจเป็นตัวเราแล้วเราต้องมาคอยรู้กายมารู้ใจบ่อยๆจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราก็าละความเห็นผิดได้ก็ชนะยกที่หนึ่งละยกนี้สำคัญที่สุดเลย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 หลวงไตยลงพ่อต้อ ง, งแจบบัตรจริงๆเนะอะฟังหนึ่งรอบแล้วเชิญกลับบ้านนะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะมองไม่เห็นแล้วนะอา้าวคุณกนิษฐาเป็นไงมันแหวกอีกหรือยั ง, ยงอาหวานหวานติดติดหวานมาตั้งแต่วัดโน้นบอกให้หวานมาถามที่วัด น, นี้อ่ะว่าไงไม่ได้ยินเลยเหรอ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 ไม่เป็นไรตัวใสๆก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปเพราะงั้นทุกอย่างแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูหวานดูแค่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปวานดูแค่นี้พอละวันหนึ่งเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาวนแต่ดับไปทั้งสิ้นพระโสดาบันรู้แค่นี้เองถ้าโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็ดับไป ของไม่เที่ยงทั้งหมดต้องการให้เห็นแค่นี้อ๋าไม่จำไม่จาเป็นตรงที่ใส่สก็แช่ได้กิเลส ท, ที่ละเอียดเนี่ยจะใส่ใสตรงนี้เป็นเรื่องแปลกแต่เดิมเราคิดว่ากิเลสเนี่ยเป็นตัวมัวมัวถ้ากิเลสละเอียดนะใส่นะใส่ตัววิชานี่ใส่มากเลย คือจิตเราเนี่ยเราจงใจไปดูทั้งหมดนั่นแหละนะจะใสจะมัวอะไรเนี่ยเรายังเจตนาดูอยู่ถ้าไม่เจตนาดูเนี่ยใจจะเบิกบานใจจะตื่นขึ้นมาเลยจะไม่มีความเกรงเกรงแข็งแข็งยืนพื้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังเจตนาดูอยู่เนี่ยยัมีจุดที่ยืนพื้นแข็งแข็งอยู่นิดหนึ่งของหวานดูออกไหมมีจุดที่ยืนพื้นเออดีนะนี่นต้องมาบ่อยๆ่อย ท, ที่จะอะไรนะหวานดูในแง่ที่ว่าทุกอย่างอะล้วนแต่ของไม่เที่ยงนะทุกอย่างที่ใจเราไปรู้เข้าล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นหวานดูตรงนี้ออกใช่ไหมเน้นหวานก็เฝ้าดูต่อไปทุกอย่างไหลามาแล้วก็ไหลไปไหลามาแล้วไหลไปดูอยู่แค่นี้แหละระวหว่านรู้สึกไหมจิตเราเนี่ยไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ หวานรู้สึกไหมจิตเนี่ยทำงานตลอดเวลาบังคับมันไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ดูเพื่อเอาใส่นะไม่ใช่ดูเพื่อห้ามไม่ให้มัวใจอันะนี้ยังแย่แต่ว่าตอนไม่ได้มาที่หลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ดีกว่านี้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้นนนนนธรมมกกนะธรมดาหนะ้าคุยกับหลวงพ่อก็เกรงบ้างแหละ นะไม่เหมือนหลวงพ่อนะก่อนไปหาครูบาอาจารย์ก่อนจะไปหาหนี่เกรงนะแต่พอเข้าถึงตัวเราไม่เกรงแล้วไม่กลัวด้วยหลนะวงพ่อฝังไม่ออก ใครฟังออกช่วยแปลให้หลวงพ่อฟัง่อยคิดสารารู้สึกเสียงมันก้องมากมันสูงด้วยเออเออดีแล้วนะนล่นแหลดูไปดูอย่างนั้นแหละ ไ, ได้ดูไปเรื่อยๆอ้าวใครจะส่งกันบ้านหนูไม่ทั่วหรอกเนาะเป็นไงไม่ต้องทนนังนหรอกนะอ๋อก็ดูไปหนังแม่มดนะ <c oughs> เป็นหนังแม่มดเหรอเป็นทุกคนไหะอ้าวคุณอำนวย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 ในด้านของขันขันนั่นจะไปมองให้มันสุขไม่ได้ขันนั้นเป็นส่วทุกข์นี้บางวันใจเราก็พลิกไปฟิกมาเดี๋ยวก็มองมุมโน้นดีมองมุมนี้ดีเรื่องปฏิบัติแล้วมีความสุขมากเลยแต่ปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์มากเลยไปทําความสงบบ้างเนะดินจงกรมทำความสงบตามสมาธิบ้างทำความสงบพุงบ้งไป ไม่เป็นไรการฝึกใหม่ๆจิตมันจะหวือหวานิดหนึง่งเวลาเจออารมนะจะรู้สึกคันทราสมากหวือหวา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 ถ้าเฉยนิ่งนิ่งยืนพื้นอยู่เลยเนี่ยอันนี้ต้องต้องมาคุยกันละส่วนมากก็คือไปแอ บ, บทําขึ้นมาทํำจนชินนะเหมือนกับว่ารู้สึกตัวนะบอกใจเป็นกลางแต่หลูกพ่อทำหน้าให้ดูนะกลางแบบเนี้ยนะกลางแบบไม่ยินดียินร้ายอย่างนี้กลางแกล้งทําขึ้นมานะไม่ใช่กลางจริงหรอกกลางปลอมอย่าอยากเจอสิ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 เมื่อจิตจำสภาวะทำได้แล้วพอสภาวะทำอะไรปรากฏขึ้นมานิสติจะเกิดเองไม่ต้องแกล้งให้เกิดนะเกิดเองสติที่เกิดขึ้นเองเขามีเหตุคือจิตจำสภาวะได้ อ, อัศจรรย์อกุศลจะดับทันทีเลยกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเลยอย่างเรากำลังเผลอๆ อ, อยู่จิตมันรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงมาเรียนที่หลงพ่อหลวงพ่อชอบไล่นะว่าเผลเอไปแล้วเผลอไปแล้วเพราะอะไรก็เผลอเนี่ยเป็นกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดความหลงโมหะ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 ใจก็จะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งล้วนแต่ไหลมาแล้วไหลไปผ่านมาแล้วผ่านไปนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานการปฏิบัติเนี่ยขั้นต้นทำให้มีสติขั้นกลางขั้นปลายนี่ทำให้มีปัญญาไปรู้ไปเรื่อยอัดรู้สภาวะนะใจลอยแล้วรู้สึกไหมหนุ่มแถวที่สองเนี่ย ใ, ใจมันหนีไป ไปดูเขาดื่มตัวเองใจมันหลงไปคอยรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆของคุณเป็นยังไงส่งไปบ้างเวลากิเลสเกิดรู้ไม่ล่้ได้บางครั้งก็ดีแล้วดีกว่าไม่ได้เนาะคอยดูบ่อยๆ หาดูสภาวะไปเรื่อยๆทําความรู้จักสภาวะเพิ่มขึ้นมาเลยอย่างสองอย่างนานๆไปเราก็จะรู้จักสภาวะเยอะเช่นแต่แรกๆก็ต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นแต่มาขัดใจเล็กๆก็เห็นแต่มาอย่างเรานั่งอยู่ในศาลาร่มๆเงียบแต่เดินออกจากศาลานะแสงแสงสว่าง้าจ้ากระทบเืลตาเนีตยโภสะยังเกิดเลยสติเราจะไวขึ้นไวขึ้นเราจะเห็นได้ละเอียดขึ้น กิเลสตัวเล็กตัวน้อยเราก็มองเห็นตัวโตๆโตหัดใหม่ๆก็เห็นตัวโตๆก่อนเห็นของหยาบก่อนฝึกมากเข้ามากเข้าจำสภาวะได้เยอะจะเห็นของละเอียดอ้าวใครจะสมกันบ้านอีกเชิญอย่อย่หยาบนะเป็นกลางของจิตเนี่ยมีหลายแบบ เป็นกลางแบบซื่อบือ้ออย่างเช่นคนคนหนึ่งถูกเขาด่าทั้งวันเลยไปเลยจะถูกด่าทุกวันทีแรกก็โมโหนะถูก ด, าด่าไปเรื่อยๆเลยใจเป็นกลางเรียกว่ามันมันดื้อด้านไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะใช้ไม่ได้อันนี้เป็นกลางแบบที่หนึ่งนี้ใช้ไม่ได้เลยเป็นกลางแบบเคยชินกับกิเลสแล้วอกเป็นกลางนะอันที่สองเป็นกลางเพระสมถะเป็นกลางเพราะเราหลักทองไว้เป็นกลางเพราะเราควบคุมบังคับไว้ เช่นพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธให้หายโกรธหรือโกรธนอโกรธน้อให้หายโกรธก็หายโกรธไปเลยแล้วบอกเป็นกลางกลางอันนี้เพราะไปไปรักษาไว้ไปประปองไว้กลางเพระสมถะกลางพระสมถะอยู่ได้นานนานนะอยู่ได้นานอันที่สามเป็นกลางเพราปัญญามีศัพท์อยู่คํานึงแนวะพิธามชื่อสัตวมชชตาตาเราข้อเรียกไม่ค่อยถูกนะชื่อมยาว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 ไปทรงตัวอยู่ที่สางขาหรืเบิกขาช่วงหนึ่งก็เสื่อมเสื่อมลงมาอีกเสื่อมมาอีกทำอีกขึ้นไปอีกเพรา้นหน้าที่เราไปปรึกรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดจิตเป็นกลางต่อสภาวะความเป็นกลางต่อสภาวะนี้ไม่ใช่กลางแบบทื่อๆเป็นกลางด้วยมีความสุขด้วยเป็นกลางแล้วก็อิ่มเ อ, อิบไปด้วยเป็นกลางไปด้วยอิ่มเ อ, อิบไปด้วยเป็นกลางต่อสังขารแต่จิตใจนั้นอิ่มเ อ, อเิบเบิกบาน เป็นสภาวะธรรมที่แปลกแต่ถ้าเป็นกลางแบบจิตใจแห้งแรงแข็งกระด้างเนี่ยกลางจอมปลอมเช่นหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะต้องทำหน้าเราดูจิตไม่เป็นต้องดูหน้าเป็นกลางกลางนะกลางกลางอย่างนี้กลางปลอมนะกลางปลอมกลางแป้งคำเป็นกลางจริงๆกลางข้อปัญญาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสตินั่นเอง มีสติรู้กายรู้ใจเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปล้วนแต่เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวแต่ก็เป็นกลางแต่เดิมไม่ชั่วคราวจะให้ชั่วคราวเช่นความสุขเกิดขึ้นก็ยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็ยินร้ายไม่เป็นกลางเขาไม่เป็นกลางทำไงให้รู้ทันอีกความสุขเกิดขึ้นใจเรายินดีรู้ทันว่ายินดีความยินดีก็จะดับไป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 สมัยหลวงพ่อหัดเก็บครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ต้องควบคุมมันสนใจที่จะรู้กายสนใจที่จะรู้ใจค่อยดูของเราเองนี่แหละไม่ต้องมีใครมาเชื้อเชิญหรือบังคับให้เราดูค่อยๆฝึกไปจ น, นเข้าใจความเข้าใจมันมากขึ้นมากขึ้นนะค่อยฝึกไปสนุกที่สุดเลยปฏิบัติความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนแปงไปเรื่อยๆ ย่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์จริงๆอย่าใครไปอ่านถ้าใจปิดกอ่านถ้าสูตรอะไรนี่อ่านง่ายหน่อยอพี่ําอ่านไม่รู้เรื่องหรอกอ่านยากอ่านพระสูตรเนี้ยอ่านแล้วจิตใจเบิกบานมีความสุขแม่รู้สึกว่าเข้าใจธรรมะ ม, มาปฏิบัติไปช่วงหนึ่งกลับไปอ่านอันใหมอ่อันเดิมนั่นแหละกลับไปอ่านครั้งใหม่ความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเดิม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 เาภาวนาไปช่วงหนึ่งกลับไปอ่านใหม่ก็รู้เรื่องอีกแล้วแต่รู้เรื่องไม่เหมือนเดิมอย่างหลวงพ้อแต่เดิมเข้าใจอันอริยสัจสี่ก็ทุกสมูทายนี้รอดมากกว่เข้าใจเข้าใจภาวนาไปเรื่อยเรื่อยถึงรู้ว่าไม่เข้าใจหรอกอริยสัจสี่ลึกซึ้งที่สุดเลยอย่างท่านสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ ทั้งๆ ท, ที่เราเห็นทนโทษว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังบอกว่าเข้าใจนะแล้วเมื่อไหร่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเข้าใจจริงเข้าใจทุกข์แล้วยังต้องแจมแจ้งนิโรธอีกไม่เหมือนกันอีกอเดี๋ยวญาติโยมรับผ่อนนะที่นี่ไม่เหมือนที่เก่าแล้วนะที่นี่เราคนเยอะขึ้นมากหลวงพ่อบอกวิธีการให้หน่อยหลวงพ่อจะให้พ่อนเลยนะ รอให้พรเสร็จแล้วพวกเราไปที่ศาลาเรียบผ่านข้าวเลยนะไม่ต้องรอให้พระตักนะทำไมหลวงพ่อบอกไม่ต้องรอรู้ไหมพราะอาหารเยอะขึ้นทุกวันเลยหลวงพ่อต้องมาตักให้พวกเราดูทุกวันนะหลวงพ่อสงสารใช่ไหมคนนี้เอามาก็อยากให้ตักนะโอ้หลวงพ่อตักจนหลวงพ่อจะเดินไม่ไหวอยู่ <laughs> เอวจะเรี่ยงอยู่แล้วเนะ <laughs> งินพอพวกเรารับพรนะไปรอที่ศาลา พวกหนุ่มๆที่แข็งแรงรอที่บรไทัดนะเดี๋ยวส่งฐานอาหารต่อกันไปนะแล้วก็ไปทานข้างนอกเลย่านะรับถอนนะยาทถาวาริวะฮะปูราปริภูเรนตีสักรังเอวามวาีวัยโตทินังเปตานังปะกัปติอิชิตังปะทิตังทุมหังกิปะเมวาสมิชตุ สัพเเอปูเรนตูสังกปาจันโภปันนารโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรคโควินาสตูมาเตภวัตวันปราโยสุขีอีขายุโคภวะาอภาิวาธนาศีริสนิจจงุทาปัจายิโนจะตารูธรมาวทันตีอายุวันโนสุขัง พระลังพระวตุสาพระมังค์ลังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังขานุภาเวนะสดาโซตีพะวันตุเต